น, นี่ก็ต้องฟังธรรมก่อนเนาะหลังจากท ร, รมาจบก็พูดธรรมสู่กันฟังเป็นลืเป็นโอกาสพอเหมาะพอดีเราก็ได้สาธยายทรรมเป็นบทฉวดมนนี่เแต่คำสอนที่ดีๆ <c oughs> เรานำมากล่าวมาสาธยาย เราได้สัมผัสกับคำที่เราสาธยายคำพูดออกไปเราก็ได้นั่งมีสมาธิมีสติดูโดยชอบนี่ก็เป็นการศึก <c> ษ <oughs> าในหลายด้านโดยเฉพาะพวกเราก็ให้ จัดเกียนในการศึกษาบ้างไม่ใช่โง่เง่าเต า, าตุตนใน ม, มากมายคำสอนมีวิธีคาสอนกันหลายอย่างในประเทศไทยหลายครูอาจารย์เทศ่สอนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานจนมาถึงยุคหลวงปู่เทียนประมาณหกสิบปีมานี้ ก็มีผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำที่หลวงพ่อเทียนสอนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรรูปแบบของรูปแบบของสัมปชัญญะบัพะกายบัพะคือการเคลื่อนการไหวเข้าถึงตัวรูปสึกตัวเป็นที่สุดจุดหมายปลายทาง ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมเวไนเป็นองค์ศาดสดาแทนพระพุทธเจา้าพระธรรมเวไนก็สรุปลงมาก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเราก็สามารถศึกษาได้ ออกมาศินสมาธิปัญญารสรุปลงมาอีกเหลือมีเพียงหนึ่งคือมีสติสมชัญญะจึงจะเกิดเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้สติสมัญญะขอให้เกิดศินเกิดสมาธิเกิดปัญญาศินสมาธิปัญญาขอให้เกิดธรรมวินัยเป็นรูปแบบแสดงออกทางกา ย, ายกรรมไจีกรรมโนกรรมเป็นภาค ทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติที่เป็นธรรมวินัยการนงห่มผ้าการขบการฉันการข้อห้ามข้ออนุญาตทำรรวินัยก็รวมเอาอีกเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็รวมลงมาไว้อีกเป็นสติสมชัญญะนี่คือความเป็นจริงใครจะศึกษาแบบไหนก็ได้ แต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเราดูช่างทั้งตัวบางคนไปดูขามันก็ว่าช่างเหมือนเสาเล่าบางคนไปดูข้างมันก็ช่างเหมือนวาเลาบางคนก็ไปดูหูมันช่างเหมือนกับกระดง้งบางคนก็ไปดูงวงมันมือมันช่างก็เหมือนปีง บางคนก็ไปดูหางมันช่างเหมือนไม่พลอยไม่กวาดแต่เราศึกษาเห็นช่างทั้งตัวนั่นจะเป็นช่างได้การปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเริ่มต้นจากสติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นธรรมวินัยไปทั้งหมดเลยเป็นได้อย่างไร เรามีสติสมชัญญะโดยภพ้เผาปฏิบัติตัวกลายเคลื่อนกลายไหวเห็นใจมันคิดมันนึกรู้เท่ารู้ทันการที่ตั้งใจรู้ึกกตัวอยู่นี้เราก็ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้คิดชั่วไม่ได้พูดชั่วมันก็เป็นสินเนี่ะเราก็ใส่ใจที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆการใส่ใจการใส่ใจสิบสี่จังหวะสิบสี่รู้ รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้เป็นวโมงหนึ่งเป็นพันพันรู้เป็นมากรู้เป็นมหาลูปใส่ใจอยู่เป็นสมาธิแล้วเวลาใดที่มันหลงไปไม่ใช่ความรู้กับเปลี่ยนความหลงความผิดความถูกความทูกข์อะไรต่างๆเป็นตัวรู้ได้เราเรียกว่าปัญญาเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างไรมันก็คือ ตัวเราทั้งหมดวาวธรรมก็คือปล่อยกุศลเราก็เว้นความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์ีในก็คือความเป็นไปโดยคามเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายกรรมไว้กี่ขรร ม, มโนกรรมเรียกว่า ทำของที่น้อยให้มากทำของที่มากให้น้อยนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธเจา้เจาก็สอนแบบนี้พระองค์เปรียบเสือสอนของคําสอนของพระองค์เหมือนใบไม้ทั้งป่ามากเหลือเกินแต่เอามาสอนพวกเราเหมือนใบไม้กับมือเดียวเราจึงมีการศึกษา ทุ่นทั่วก็ว่าได้การเจริญสตินี้นันก็คือไมีกครไมีคิดเราก็เห็นมันอยู่หรือวิธีที่ปฏิบัติเข้ามีสติเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวให้มันลัดลัดตรงตรงเข้าไปอย่าไปเพึง่งอย่าเพึ่งไปหารายละเอียด ให้ถึงความรู้สึกตัวให้ถึงความรู้สึกตัวไปก่อนแต่ความรู้สึกตัวเมื่อมีเมื่อมากมเมื่อเจริญมากมันก็รู้ทีหลังไปถึงแล้วค่อยรู้ทีหลังไปแล้วค่อยรู้ผ่านไปแล้วค่อยรู้ว่ามันผ่านอะไรทาใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆก็ตรงกันข้ามกับความหลงทันทีไม่ใช่เรื่องงงๆสาวๆ ส, สุ่มๆ มีตัวหลงตัวรู้ก็หันหลังให้ตัวหลงทันทีแต่รู้มากความหลงก็น้อยลงแต่ร <c oughs> ู้มากที่สุดความหลงก็หมดไปอันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเมื่อความหลงมาหมดไปมันเป็นอย่างไงมันก็มีผลกระทบไปถึงความโลภความโกรธไปกระทบไปถึงปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆ เกิดความสมบงบล่มเย็นไปเลยส่วนตัวเราก็เป็นส่วนรวมไปเลยเรามานับหนึ่งจากตัวเราทุกคนมีความสงบคอยดูแลตัวเองอยู่เสมอ ม, มันก็สงบไปทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าศึกษาเรียกว่าย่อมาดู เอามาดูดูอะไรชีวิตของเราทั้งแปดหมื่นสี่พันเรื่องย่อมาดูให้มีความรู้สึกมีตาในกิเลสก็พันห้าตัณหาก็ลอยแปดเกิดขึ้นมันก็ผ่านให้เห็นมันไม่รับไม่ลีผ่านมาให้เห็นให้รู้สึกได้ให้เห็นได้เห็นมันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธมันง่วงเห็นมันง่วง มันพยายาทเห็นมันพยายาทมันเกิดกามราคะเห็นการมราคะมันเกิด <c oughs> ดังเหลสงสัยก็เห็นมันเกิดความคิดพงศารก็เห็นกลับมาหาความรู้สึกตัวมันก็ผ่านเวทีผ่านสนามลงสนามลบกับันนั่นลบกับวันนี้ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวลู้ลู้เห็นลู้เห็นกลับมาสร้างตัวลู้กลับมาสร้างตัวลู่อ ว, ว่าการสร้างตัวลู้มันมีฐานมันมีกรรมมีการกระทำแล้วกลับมาได้ทุกคนมันจะเป็นอะไรนอกจากความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาโดยเฉพาะสติปัฏฐานรูปแบบของกายบัพพะสัมัชัญญาบัพพะกิจปพัพพะ ว่าภาคคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของจิต <c oughs> การเคลื่อนไหวของจิตก็คือมันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจการเคลื่อนไหวของกายก็คือยือนเดินนั่งนอนเนี่ยมีกันทุกคนมาเกเห็นเหมือนเหมือนกันเห็นตัวหลงเห็นตัวรู้เหมือนกันเห็นความง่งเหงาเห้านอนเห็นความรังเลสงสยัยเห็นความคิดฟุ้งซ่าน เห็นพยาบาทเห็นลาค่ะเห็นความรู้ความโกรธความหลงสิ่ง <c oughs> ที่มันเห็นต่อหน้าต่อตาก็คือเห็นกายกายก็คือของกริงที่ออกมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดให้เกิดความรู้เอากายมาสร้างความรู้ แต่ก่อนเราไม่เคยใช่กายให้สมัครสร้างความรู้เลยแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรใจก็มันกันแล้วแต่มันจะเป็นยังไงตอนนี้เราจับมันมาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเอากายมาผิดความรู้สึกตัวเป็นวัดสดุประกอบผิดความรู้สึกตัวเอาคิดเอาใจมา ผิดความรู้สึกตัวเอาคามหลงมาเป็นความรู้สึกตัวเอาคามโกรธมาเป็นความรู้สึกตัวเอาความทุกข์เอาความสุขเอาความง่วงเหงาหอ น, อนมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> จึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้ายมาเป็นถูก ออกจากความรู้สึกแล้วเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยหลักก็คือความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยเรื่องกายเรื่องคิดเนี่ยปฏิบัติธรรมเราโง่ไหมเราทำอย่างเนี้ยเราตีเตือนตัวเราโดยศินใดหรือไม่ไม่ต้องไปถามใคร เราหลงเราก็รู้เราก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้แล้วนะมันจึงจัดเจนชัดเจนจัดเจณไม่มีเลยจะมั่นคงเท่ากับการจเจริญสติเอากายมาเป็นวัสดุประกอ์พลิตมันออกม า, า <c oughs> เราความจริงมาศึกษาเอาของจริงมาศึกษาเราก็เห็นเห็นเหมือนเหมือนกัน การศึกษาเหมือนกันความรู้สึกตัวก็เหมือนกันความรู้สึกตัวไปอยู่กับครกว่าเจ้าโจมความรู้สึกตัวไปอยู่กับนักบวชความรู้สึกตัวไปอยู่กับหญิงกับชายกับคนหนุ่มคนแก่คนชิใดลัที่ใดคือความรู้สึกตัวกันทั้งนั้นทําให้เราเป็นคนคนเดียวกันได้ทันทีนี่เรียกว่าอัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องอัศจรรย์ ผู้ศึกษาปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเหมือนกันหมดทุกคนเรีว่าเป็นอัศจรรย์ตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัตินี่แหละของกิกเราให้ถึงตัวนี้เริ่มต้นจากจุดนี้อย่าไปคล่องไปแวะคำสอนของครูบาอาจารย์มากมาย ซื้อตำลับตําราโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาแปรออกไปแปลออกไปคัดออกไปจากสูตรพระอภิธรรมพระวินัยในหนังสือพระไตรปิฎกอจะเอาไปพูดอย่างไงจะไปทําอย่างไรบางคนเอาไปเป็นการบุญกรรมเป็นคาถาศักดิลิทธิปฏิหารเห็น ย, ยอดพระไต ย, ยอดพระไตรปิฎกยอดพระปฏิโมก อุทิศวิจติอาญาตัดจอภิตัจจะสวิตัดตะสวีเหล็กขีดตันศัเอาไปเอปเป็ น, เ, ปนเอาไปเป็นคาถากันปืนนะมันก็เป็นแบบนั้นคาถาองคุริมานเยอตัวของปกินีริยะยะชายทียาชายโตโพติเอาไปเป็นคาถาทําให้เกิดเอาคนออกลูกได้หลงคอเคยใช่สมัยเป็นโยม ดิแทเป็นคำสอน่อมาทาลายกิเลสแต่เราก็าไปทามันเลยสัพตาปฏิโลเจมิสัพตาปฏิโลเจมิสัพตาปฏิโลเจมิสัพปะคุลนานาวัตถุกาโยโ ป, ปะเชิญเกตุมหะโมเรตเตเสมิปาตาแดงพุดลงไปตาแดงหายก็นะใช่กันไปหลายอย่าง ก็เอาไปจากคาถาพระพุทธเจ้ายึดมันถือมันบางทีก็เป็นไปตามอุปทานที่เขายึดเอาวันนี้เอามาศึกษาเพื่อความหลุดพ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้รู้ให้รู้ลไปทางด่วนดวนแ่ก่อนเอามาเป็นเรื่องวิมุตตหลุดพ้น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเจ้าลทัทธิ<ม>เพื่อเป็นใหญ่เพื่อพวกพงบริวารเพื่อลาบสักระเสียงเสริญยินยอ<ม>เพื่อวิมุตต์หลุดพ้นต่างหานะพอมันหลงก็รู้พ้นจากความหลงพอมันโกรธก็รู้แตรู้แล้วความโกรธก็โชว์ไม่ได้ถ้า ต, ตัวลูกเขาไปขี่คออะไรมันก็กลายเป็นตัวรูกทั้งหมด หรือว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนล่ยเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้จชงเจเรียกว่าปฏิบัติจชงเจเรียกว่ากรรมฐานจชงเจเรียกว่าลีขิตชีวิตกรรมจำแนกไปไม่ต้องไปทำมันอื่น สิทธิเท่าเทียมกันเราก็มีกายเราก็มีกิจใจเราก็มีสติเราก็มีความหลงยิ่งดีใครเพื่อนอะไรมายิ่งดีจะมีประสบการณ์พอมาปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นจะขวงหน้าขวางตาก็เห็นอ่าก็เจงนะเจงในเรื่องปัญหากายเป็นปัญญา ความโลภความโกรธความหลงกลายเป็นปัญญาความเลอความชังกลายเป็นปัญญาความโง่งเอาเหาะนอนกระกลายมาเป็นปัญญาเป็นสติสมชัญญะนี่ผู้สอนก็มั่นใจความมั่นใจก็ไม่ต้องกลัวอะไร เราจะบอกความจริงอยู่แล้วความเท็จอยู่แล้วทุกคนก็ทุกคนก็เห็นความเท็จทุกคนก็เห็นความจรงิงทุกคนก็เห็นความหลงทุกคนก็เห็นความรู้ทุกคนก็เห็นความโกรธทุกทุกคนก็เห็นความไม่โกรธลองศึกษาดูมันจะเป็นไป เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานการศึก ษ, ษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อเข้าโลกเขา้าผงเราซ้อมความรู้ได้หนึ่งวันพอมันหลงก็บรู้ชัดเหลือเกินเห็นความหลงเนี่ชัดกว่าอย่างอื่นตรงกันพอดีกับความรู้สึกตัวเราเราไปหาอะไร ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเป็นการศึกษาสุดยอดแล้วสูงสุดแล้วความหลงในแหละเป็นตัวการตัวสมุทยัยตัวสังขารเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นแม่ของอกุศลเป็นแม่ของบาปความรู้ศึกตัวในแหละเป็นตัวกุศลเป็นแม่ของบุญนก็เห็นกับ หูกับตาทำไรกับมือเรานี่จึงค่อยจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเดวใครสอนแบบนี้ในยุคนี้สมัยนี้ผงพ่อก็ไม่เคยเห็นใครสอนเห็นแต่หลวงพ่อเทียนสอนแต่ก่อนก็ทำสมถะทำสพททมพุทธโทบริกรรมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมเข้าไปหลับตาเข้าไปให้มันนิ่ง บังคับให้มันสงบพอสงบแล้วมันก็ยกตนออกจากความสงบได้ยากเพราะมันมีอาสาทะมันมีความสุขสบายมันก็ติดจะเข็นตัวออกมายกกิดขึ้นลู่มันก็ยกได้ยากเหมือนคนถูกความม่วงเงาหา้อยนอนคอกออน้ำอ่อนแอไป ความสงบที่เกิดจากสมาธิยิ่งลดชาติมากกว่านี่เข้าไปเองกรรมะหลวงก็เทียนสอนเราไม่ต้องหลับตาไม่ต้องบริกรรมให้สร้างความรู้สึกตัวโอ้ไม่เคยเห็นใครสอนเลยเลยฝึกวิธีนี่มาสี่สิบปีแล้ว ออกไปสอนกันนะสอนกันมากที่สุดคือวิธีแบบนี้วิชาแบบนี้กันทุกกวนเดี๋ยวนี้ยังไม่ทุกกวนเดี๋ยวนี้ก็สอนอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองบ้านเหลาพลทองผมพ่ก็ไปอยู่นั่นกลับมาเมื่อวานนี้ ออกจากขนแกนก็ลงโคราชแล้วกนะันคนบุรีวันที่ยี่สิบต่อกันไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมิถุนาธ์เข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาพระสงฆ์ที่ไปสอนสอนธรรมะไปเผยแผ่ก็เข้าเก็บอารมณ์เข้าเก็บอารมณ์สี่สิบวัน ให้ถึง ส, สุดยอดของการศึกษาที่วัดป่าสันติธรรมอำเภอปากชมไป ร, รวมกันอยู่ที่นั้นสี่สิบวันปฏิบัติเข้มถ้าใครอยากไปก็ไปได้จึงค่อยกลับมาเข้าพรรษา กลับมาเข้าพรรษาเราพวกเราก็มาปฏิบัติต่อไปอีกมาสอนกันอีกนะกเราไม่ได้พูดแต่ปากพวกเราก็ทำกันนะนี่อะไรเราที่เราจังข้างขาจิตใจเราอยู่เห็นความหลงไหมเห็นความทุกข์ไหม ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจที่ไม่ใช่สติเห็นมันไหมแสดงว่ามีการบ้านเราเคยเปลี่ยนสิ่งเราเน่ไหมเปลี่ยนได้ไหมเคยเพี่ยนตรงเน่ไหมเราปล่อยปะละรเลยไหมอะไรที่เราทำให้ดีกว่าเก่าลงพ่นเพราะเ่าเก่ า, ก า, กามีบ้างไหมพอมาปฏิบัติในโถมันเป็นงานเป็นการเป็นกฎเป็นกรรม ถ้าสติเนี่ยลู่ที่หนึ่งเหมือนเงินบาทก็เจ็บเอาเก็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาชั่วโมงหนึ่งได้ตั้งสามพันหกร้อยบาทแต่ลู่ทุกลูก่ทุกลูก่ทุกลูก่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นแเจวสารพัดนึกเหมือนวิชากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรตามรูปแบบของการเคลื่อนการไหว <c oughs> ทันอกทันใจ เนี่ยมันหลงเลยเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกมันทุกเปลี่ยนตัวทุกเป็นตัวลูกมันโกรธเปลี่ยนตัวโกรธเป็นตัวลูกเนี่ยสุดยอดของการศึกษาแล้วไปลังเล ส, สงสัยอะไรกันอยู่หาคำตอบจากความคิดกันหรือคําตอบตันเป็นสัจธรรมไม่ใช่ตอบจากความคิดคําตอบที่ได้ ตอบได้จากความคิดเป็นสมมุติบัญญัติคําตอบที่ได้ประสบพบเห็นเป็นประมตทสัจเช่นเห็นความหลงสร้างความรู้สึกตัวเนี่เป็นคําตอบที่เป็นประมตทเอาความหลงที่มันเกิดขึ้นตอบไปด้วยเหตุด้วยผลต้องมีสติต้องมีสติมีสติหรือเปล่าหรือเป็นคําพูดเป็นสมมติทองเอาจําเอาเป็นภาษาโนกแก้วโนกขนทอง ไม่ใช่นี่คือการปฏิบัติธรรมตุกคนก็เติบโตไปด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่เป็นอนุบาลวิชากรรมฐานบางอย่างเป็นอนุบาลยี่สิบปียังเป็นอนุบาลอยู่หลวพ่อเคยไปสอนธรรมที่ประเทศมาเลเซีย จะอยู่สำนักหนึ่งลูกศิษย์พาไปเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์มาจากพมา่ายู่ในป่าลึกออกไปขึ้นไปกติอาจารย์อาจารย์ก็อยู่ในห้องโยมที่พาไปรู้จักกันกับอาจารย์ ก็ไปเคาะประตูเรียกอาจารย์ว่ามีพระไทยมาสอนกรรมฐ า, านที่ประเทศสิงคโปร์มาแวะเยี่ยมที่ประเทศมาเลเซียพอประตูเรียกอาจารย์ลงนั่นก็ค่อยๆเปิดประตูแย่ยมออกมาค่อยย่องมาหาหลวงพ่อก็อ น, นั่งไห่ไกลประมาณสัก อ่าเม็ดหกเม็ดเนี่ยที่นั่งท่านก็ค่อยย่องออกมาย่องหลับตาปี่องกฮย่องออกม า, มาแล้วก็มานั่งค่อยๆนั่งย่องลองค่อยๆเลืน่นตาขึ้นค่อยๆ ย, ยกมือครับอ๋อผัวที่จะพูดได้คําหนึง่งท่านแต่เดินออกมาจาับประตูมาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ค่อย ไม่น่อยแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือการปฏิบัติจะต้องชาบปบนนั้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทำอะไรได้จะไปทำอะไรเป็นอาจารย์มันควรที่จะเป็นผู้คงเกลียนเป็นปริญญาบ้านวัยกวกเก่า ยาตะปริญญาลูปั๊บไปได้แล้วติลักขณะปริญญาแจกแกงไม่เหลื อ, อเลยเลยถ้ามีจีเรศก็เหลือศูนย์หวานนะปริญญาทําให้มันหมดไปความโกรธหมดไปความหลงหมดไปความทุกข์หมดไปอาริศอันเนี่ยมันก็มีปริญญาคือชํานาญไม่ใช่จะไปหัดเขียนกอไก่ข้อไขไม่ใช่เหมือนกับเราเรียนหนังสือ ก็เด็กก็หัดเขียนค่อยๆขอไก่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่อยแล้วกอไก่ไม่ต้องไปดูก็ะดาษมาเขียนออกมาเดีย๋ยวยาตะปินอย่าความรู้เน่ยไวกว่านั่นก็ไปไปแก้วความหลงไวกว่านั่นเข้าไปแก้วความโกรธไวกว่านั่นมาก่อนมาก่อนมาก่อนความรู้สึกตัวมาก่อนความรู้สึกตัวมาก่อนถึงไวถึงไวถึงไวไวเหลือเกิน ไว้กว่าเสียงไว้กว่าเสียงก็รู้สึกตัวออกไปมาไ ม, ไม่ไม่เลยอะไรไม่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมใหม่ก็มีกายมีกิจทําไปทําไปมันอยู่ด้วยกันมีกิจ ด, ดูกิจมีสติดูสติอ่มีกิจ ด, ดูกิจหลวงปู่เทียนบอกพวกเราสอนพวกเรามีสติดูสติเอามีสติดูกิจเอามีกิจ ด, ดูสติเข้าไป เอาไปมาเป็นอันเดียวกันเลยของที่มันเป็นหนึ่งเดียวจะต้องไปทาอะไรจะต้องไปค่อยไปทำอะไรมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ปฏิบัติธรรมต้องไปต้องเมาแจาการทำงานทำการตัวรู้ึกตัวนะ่ยสร้างขึ้นมามนไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวมันพัฒนาไป เป็นศ er, ีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นธรรมวินัยธรรมวินัก็กลายมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากลายมาเป็นสติกลายมาเป็นหนึ่งเดียวผล็นมากเป็นผลอุดชงกายอย่งปริมุขขังผู้มีสติเป็นนาโรบเหมือนพระเีนนาสุกผู้มีสติเป็นวินัยพระเขีนนาสกก็คือพระอรหันต์มีสติเป็นวินัย อา้าวพระรหันต์ไม่มีอะไรหรือไม่สติเป็นวินัยมีสติเป็นหน้าโลกอ๋อสติเนี่ยมันทําให้เกิดพระรหันต์เลยหรือก็พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นจะเชื่อก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้ทําดูก่อนก็ได้นะถ้ามันมีจริงๆอะ่ะมีกิดดูกิดอนะ่ะมีสติดูสติอ่ะนะรอบแล้วรอบแล้วรอบแล้ว นียวิธีปฏิบัติที่เราทำอยู่เนี่ยพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ตาสีตาสาหลวงพ่อก็ไม่ก็ตาสีตาสาหลวงพ่อซะแต่หลวงพ่อเป็นผู้พูดเรื่องนี้เป็นตาสีตาสาตาปิตาปะจริงๆมาพบหลวงพ่อเทียนมาพบหลวงพ่อเทียน ก็ถือว่าถ้าจะเรียกว่าโชคหรือจะเรียกว่าอะไรแต่โชคก็เป็นสมุิถ้าจะเรียกว่าโอกาสโอกาสเหมาะมีโอกาสได้โอกาสได้พบได้เห็นลงโพเทียนโอ้ยเมื่อมองคนนั้นข น, น, นหัวลุก เคยเป็นอย่างไรแต่ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี่เป็นยังไงขนหัวลุกหงวนคนม้วนเฉลดออกจากปากความสกปกออกไปมันก็สะเอียดใสเอียนนะความบริสุทธิ์เกิดขึ้นนะี่ มันก็ต้องล่วงข้ามภาวะเก่าๆได้เป็นเกณฑ์วัดขี้วัดของการปฏิบัติอย่างน้อยก็ทำลายความหลงไม่ความรู้ขึ้นมาล่วงพ้นจากความหลงได้การบรรลุธรรมบรรลุตั้งแต่ทรรมที่แรกเลย ทำลายความหลงลงได้มีความรู้สึกตัวได้บรรลุธรรมนานเท่าไหร่ทั่วช่างสบับปะหมูช่วงูแลบลิน่นได้บรรลุได้ตั้งแต่ทีแรกเลยการบรรลุธรรมขีมลงยังไม่ถาะวนแต่ว่าได้ขีมลดพระธรรมได้กระแส เห็นความหลงเห็นความรู้เวลาใดมันหลงตรงกันข้ามกับความรู้สึกตัวได้กระแสแบบนี้เวลาใดมันโกรธตรงกันข้ามกับความไม่โกรธได้กระแสแบบนี้เราก็ความโกรธหยุดลงไปได้ความไม่โกรธเกิดขึ้นมาได้มักได้ผล ชั่วช่างสะบัดงูชงงูแลบลิน้นแม้ยังไม่ถาวรก็ได้คีมหลงได้ลดสัมผัสกับลดพฤตธรรมตามสมควรแจ่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่รอคอยพลิกมือขึ้นก็รู้สึกตัวทันทียกมือขึ้นก็รู้สึกตัวทันที วางมือลงก็รู้สึกถัวความือลงก็รู้สึกถัวนี่และของกิ่งของกิ่งนะก็ขอท่าทายแบบนี้เอาคอเป็นประกันคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นปัจจดตังอยา่างนี้ไม่ใช่อนโอนวอนต้องสัมผัสได้ด้วยตนเอง